โมทนาญาติยโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในการบป็นเพนบุญที่เรียกว่าทอผ้าป่าปกติการทอดผ้าป่าเนี่ยเราก็จัดกันที่วัดแต่ว่าที่นี่เป็นการทอผ้าป่าแบบกระยุกนะรูปแบบก็ยังคล้ายกับผ้าป่าที่เราคุ้นเคยกันนะแต่ว่า จุดมุ่งหมายก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างปกติการททพบานจุดมุ่งหมายคือเพื่ อ, อถวายผ้าให้กับพระภิกษุสงฆ์เพื่อที่จเป็นประโยชน์กับภิกษุ ร, รุนแรงรุ่นหนึ่งที่ท่านอาขาจีวรแต่ว่าเป็นสังฆธานชนิดหนึ่งภายหลังนอกจากผ้าแล้วก็มีบริวารตามมา บริวารนี่ก็คือสิ่งของที่จะเป็นประโยชน์ด้านอื่นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประพฤติประจำและการศึกษาปฏิบัติภายหลังก็มีบริวารอย่างอื่นที่มอบเข้ามาเช่นเงินทั้งนี้เนี่ยเพื่อใช้ในการก่อสร้างเสียราสนะรวมทั้งเพื่อที่ทางว่าจะได้นําไปใช้เตืนอน์ด้านอื่น ของที่มาถวายกับทางวัดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนอกจากเป็นปโยกับทางพระหรือเนรแล้วเนี่ยยงเป็นปรีโยอนกับชุมชนด้วยจานชามที่ถวายให้กับวัดทางวัดก็ให้ชาว บ, บ้านมาไปใช้สมัยที่สมัยก่อนเนี่ยนะเวลาชาวบ้านจะจัดงานจัดงานแต่งงานจัดงานบวชงานศพ ไม่มีหม้อไม่มีชานไม่มีช้อนนะก็มายืมจะกทางวัดอันนี้ก็เป็นการส่งเส ร, ริมความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับบ้านแล้วขะเดีใหญ่ก็เป็นการส่งเส ร, ริมให้วัดเนี่ยได้เป็นประโยชน์เพื่อกุก่มชาวบ้านนอกจากเรื่องธรรมะแล้วก็รวมถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ด้วยกําลังปัจจัย ที่นํามาถวายในรูปบริบาลพระป่าก็นําไปใช้ประโยชน์หลายอย่างเพื่อส่งเสริมบทบาทของพระในฐานะที่เป็นศูนย์กลางชุมชนวัดเนี่ยเมื่อเป็นศูนย์กลางชุมชนแล้วเนี่ยก็สามารถจะก็มีจิตอย่างนัน้คือการเลือกคือช่วยเหลือชุมช น, น, นเพราะว่าชุมชนก็ที่มีความเดือดร้อนไม่ใช่แค่ไม่มีจานชาญใช้ใน งานพิธีการต่างๆแต่บางทีก็อาจจะขาดแคลนเรื่องถนนหนทางเรื่องสะพานเรื่องยู่เรื่องยาก็อาศัยบริวารบนขั้วปัจจัยที่ถวายกับวัดเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์เป็นการส่งเสริมบนบาทของพระสงฆ์บนบาทของวัดในการเป็นศูนย์กลางของชุมชน น, นอกจากเป็นศูนย์กลางสำนัจิตวิญญาณ แล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นวัฒนาการของผ้า ป, ป่าตอนหลังแล้วก็จะไปที่มีการทอดผ้า ป, ป่าข้าวผ้า ป, ป่าหนังสือนะอันนี้เนี่ยก็คือ น, นามาถวายวัดนะแล้ววัดก็นำไปเป็นเกี่ยวกับชาวบ้านเช่นเอาหนังสือไปบรรจุไว้ในห้องสมุดในหมู่บ้านห้องสมุดของโรงเรียนนะ เด็กๆ ก, ก็ได้ใช้อ่านาชาวบ้านก็ได้ใช้เพิ่มปรุความรู้สมายเทศตมายังเป็นคาราวสาก็เคยร่วมกับโครงการแต่น้องพูยุโหยเนี่ยจัดผ้า ป, ป่าข้าวนะที่จังหวัดชายภูมิวัดป่าพระคูเขาทองท้าวมาไฟหวานเือที่สองสามนะข้าวที่นำไปถวายกับทั้งวัดวัดก็ไปมอบให้กับสหกรณ์ข้าวเพนะื่อช่วยบรรเทา ความหิวโหยความยากจนของชาวบ้านอันนี้ก็เป็นบทบาทที่เสริมขึ้นมาเบอร์สายผ้า ป, ป่าเนี่ยเป็นการสรั่งสมบทบาทของพระสงฆ์บทบาทของวัดในการช่วยเหลือชุมชนผ้า ป, ป่าในวันนี้เนี่ยนะถึงแม้ว่ารูปแบบจะคล้ายผ้า ป, ป่า ท, ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันนะแต่ว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยก็ไม่ได้นำไปใช้เพื่อสร้างบุสร้างวิหารหรือว่าสร้างเศนาสนะ สัมัะคระแต่ว่ามันไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์นะในการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กที่ประสบปัญหาหรือผู้รวลว่าเพื่อช่วยในการาทำงานเพื่อเด็กนะซึ่งเป็นงานที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กนะอาสารับผิดชอบโดยตรง เงินที่ถวายกระทางกั บ, กบพระนะก็จะคืนกลับไปนะให้กับทางมนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กนะซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดชัดเจนก็คือว่าจะสร้างอาคารแด่น้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการกิจกรรมของมูลนิธินะนะอันนี้ก็ก็เป็นไม่ว่าเป็นพระบาประยุกนะแต่ว่า ข้อใหญ่ใจความก็ยังไม่ต่างจากภาป่าที่เคยมีในอดีตก็คือเป็นการส่งเสริบสมบทบาทพระสงฆ์ในการช่วยเหลือชุมชนสงฆ์พระผู้ยากไร้เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าทาที่วัดจะทาเอง น, นกอะก็เป็นฝ่ายสนับสนุนให้มูลนิธิประการพัฒนาเด็กรับไปทำก็ถือว่าเป็นความร่วมมือ ก, กันระหว่างพระกโยนในการช่วยทาให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้น ในการช่วยทำให้เด็กได้รับความเอือเฟือเกือเก้ อ, ก, อกูลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งก็กเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งทั้งของพระและของโยงเพราะว่าถ้าเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เพียงแต่มีอาหารมีปัจจัยสี่ที่เลี้ยงชีพอย่างชีพเ่านั้นแต่ว่ามีความรุ้งเรือุณธรรมมันก็ทำให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถจะเป็นคลเมืองที่ดีสามารถที่จะเป็นอุบาสกอุบาสิ ก, กาที่ดีของศาสนาเป็นต้นโครงการอันนี้เนี่ยอย่าแงบบที่ทราบกันนะก็คือจัดโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กโดยส่วนตัวตมาเองก็เกี่ยวข้องกับมูลนิธินี้ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นโครงการเล็กๆนะ ก็คือเคยไปช่วยโครงการแดนน้องคุยโหยตอนที่อ่อเป็นคาราว่าโครงการนี้ก็มีขึ้นตั้งแต่ปีสองสามตอนนั้นเนี่ยเมืองไทยมีปัญหาเด็กขาดอาหารมากเป็นล้านท่านาที่เมืองไทยเป็นเมืองอู่ภ้าวอู่น้ส่งออกข้าวเปน็นจำนวนหลายล้านตั น, นแต่ว่าเด็กขาดอาหารโดยเฉพาะเด็กภาคอาาีสานโครงการแดนน้องคุยโหยเนี่ยก็เกิดขึ้นมาเพื่อช่วย ส่งเสริมแก้ปัญหาเด็กขาดอาหารเช่นส่งเสริมวัดหรือโรงเรียนที่ทําโครงการอาหารกลางวันสมัยนี้คงจะนึกแม้ไ ม, ไม่ถึงนะว่าเด็กไทยเมื่อ30มิบปีที่แล้วมีขาดอาหารจนล้มตายกันไม่ใช่น้อยไม่ใช่ล้มตายเพราะราขาดอาหารโดยตรงนะเหมือนกับแต่อฟริกาแต่ล้มตายเพราะว่าโรคไข้ไทฟอที่เกิดจากการที่มีภูมิต้านทานต่ำเนื่องจาก ไม่มีอาหารที่พอเพียงผ่านไปสามสิกบกว่าปีนะเด็กขาดอาหารก็น้อยลงตัวเรียกว่าแทบจะไม่เป็นปัญหาแล้วนะยกเว้นในบางที่บางแห่งซึ่งก็มีน้อยมากนะตอนนี้เราไม่มีปัญหาเรื่องเด็กหิวโหยนะเรามีแต่ปัญหาเด็กอ้วนท้วนอ้วนเกินไปน้ําหนักเกินนะซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งนะโดยเฉพาะเด็กในเมืองนะในโรงเรียนต่างๆนี่เด็ก ต, ตอนน้อยชนะั้นยี่น้อยถึงในสามเนี่ยน้ำหนักเกิน ซึ่งก็ถ้าโตขึ้นและแล้วยังมีน้าหนักอ้วนแบบนี้เนี่ยก็โรคภยัยต่างก็ถามหาโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเร็งสารพัดนะอันนี้ก็เป็นอาจามาเข้าใจก็เป็นงานอันหนึ่งเนี่ยของมูทิเพื่อการพัฒนาเด็กแต่ว่าอนอกจากปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยปัญหาเด็กก็งมีมากมายโดยพราปัญหาเกี่ยวเรื่องจิตใจ ปัญหาเกี่เรื่องความรู้เรื่องคุณธรรมปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้ดูเนมือนว่าเด็กไทยจะมีชีวิตที่ควาเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะโรงเรียนก็แพร่หลายกระจายไปทั่วทุกถิ่นทุกภูมิแดนเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้แม้แต่ชนบทที่ห่างไกลก็มีโรงเรียนแล้วเด็กก็ไม่ต้องเดินแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีจักรยานจักรยานเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้แล้พราะรถกับสง่งรถกระบะเด็กไทย แค่จะรู้จักกับว่าเดินไปโรงเรียนนะเพราะว่ามีรถส่งถึงโรงเรียนเลยแม้กระทั่งหมู่บ้านตมาเนี่ยหาเด็กเดินไปโรงเรียนยากยนะเพราะว่ามีรถไปส่งนะถึงโรงเรียนแต่ก่อนเราเคยเด้ินข่าวว่าเด็กใส่รองเท้าผ่าไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนะแต่นั่นเป็นเรื่องของวัตถุนะปัญหาจิตใจปัญหาความสัมพันธนะ์ปัญหาเรื่องคุณธรรมเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะซึ่ง ก็เป็นที่น่ายินดีว่าทุกวันนี้ก็มีองค์กรที่ทํางานเกี่ยวกับเด็กเยอะแยะสามกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีไม่กี่แห่งนะที่ทํางานเรื่องเกี่ยวกับเป็นเอ็นจีโนะก็มีมูลนิธิเด็กมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กสหไทยมูลนิธิเป็นต้นเนีเรียกว่านับจํานวนได้ไม่ไม่เกินห้าหรือยังมากก็ไม่เกินสิแต่เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะไปหมดซึ่งจะเป็นที่น่ายินดีแต่ก็ยังถือว่ายังน้อยไปอยู่เรื่องเกีปัญหาเด็กที่เป็นสัญหาที่ ตอนนี้ใหญ่มากนะปัญหาต่างๆในเมืองไทยเนี่ยพอสาวไปสนมามันก็มาลงที่เด็กนะปัญหาคอร์รัปชันปัญหามลภาวะนะปัญหาการพัฒนาเทคโนโลยีปัญหาเรื่องคุณธรรมนะสาวไปสามาพบว่ามันมีราคานี่อ่อนแอในสังคมคือว่าเด็กยังมีคุณภาพในเรื่องของ จิตใจเรื่องของสติปัญญาเรื่องคุณธรรมความรู้เนี่ยยังยังอ่อนอยู่แต่ท้านที่ทุกฝ่ายนี่ก็รู้ว่าปัญหาทั้งหลายต้องมาแก้กันที่เด็กแต่ว่าคนหรือองค์กรที่ทำงานเรื่องเด็กจริงๆยังจังนนะก็ยังมีน้อยแม้มีมากนะถ้านับเป็นจำนวนแต่ว่าก็ยังน้อยเมื่อเทียบกับสภาพปัญหาหรือว่าขอบเขตของปัญหาในขณะที่ สิ่งที่เราเย้ายวนให้เด็กเนี่ยข้าเคลื่อนออกจากคุณธรรมหรือว่ามีคุณภาพจิตที่น่าเป็นห่วงก็ก็มีเยอะสิ่งที่เราเย้ายวนต่างๆนี่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นอบายมุขทั้งเก่าทั้งใหม่แม้แต่บางที่เราเรื่องการการความใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาเด็กเนี่ยเป็นเป็นปัญหาที่แม้จะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนประเภท คอขาดบาดตายที่ต้องรีบทาวันนี้วันพรุ่งนะแต่ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็จะกลายเป็นระเบิดเวลาได้ที่ส่งผลในระยะยาวอันนี้การที่พวกเรามาช่วยกันคนละเล็ค น, ล ะ, คนละน้อยนะั้นด้วยการบริจาคเงิสนสมทบเป็นกองทุนพป่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง น, นะถือว่าเป็นการทําบุญการทาบุญเนี่ยไม่ใช่เป็นว่าจะต้องมาทํากับพระนะ เราสามารถทําบุญกับเด็กเราสามารถทําบุญกับคนยากคนจนทําบุญกับผู้ต่อุกขได้ยากหรือไม่ต้องทำบุญกับสัตว์ก็ได้นะเอเมืองไทยเลยมีความเข้าใจที่ค่าคือว่ า, าต้องทาบุญกับพระถึงจะ ไ, ได้บุญนะแต่ที่จริงเนี่ยทํากับใครถ้าทาด้วยใจที่มีเมตตาบุ้งปารนาที่จะช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์นะก็ถือเป็นบุญนะและไม่ต้องใช้เงินก็เป็นบุญได้ การที่เรารักษาศีลก็มีการที่เรเจริญภาวนาการที่เราช่วยเหลือกิจส่วนรวมก็เป็นบุญนะปฏิญญาวจามัความอ่อนน้นํถาถอมตัวก็เป็นบุญความช่วยเหลือส่วนรวมเรียกว่าไบา ย, บยนะวจไมนัก็เป็นบุญนะเป็นบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือเพื่อกุลส่วนรวมช่วยปลูกป่าช่วยดูแลแม่น้ำลําคลองให้ใสสะอาดอันนี้ก็เป็นบุญนะ และบุญเนี่ยถ้าเราทําแล้วเนี่ยนะมันก็เกิดความสุขเกิดประโยชน์สุขไม่ใช่กับผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังเกิดประโยวสุขกับตัวเราด้วยเพราะถ้าเราให้มากเท่าไหร่เราเสียสละมากเท่าไหร่นะจิตใจเราก็จะโปร่งเบามากเท่านั้นโดอเพราะถ้าเราให้ด้วยใจที่จะไม่ที่จะเอา เ, เราทําบุญกับพระก็ดีเราทําบุญกับใครก็ตามเนี่ยถ้าเราทําด้วยการคำนึงถประโยชน์สุขของผู้อื่น นะไม่ได้คิดจะเอาเข้าตัวเนี่ยมันก็เป็นการช่วยลดความเห็นแก่ตัวละความตนหนะีพระอาจารย์ตว่าเนี่ยบุญเนี่ยการให้ทานเนี่ยจุดหมายสําคัญคือเพืความตนหนะีเพื่อความตนหนีไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเมื่อลดความตันหนีแล้วก็หมายความว่าจิตใจเรามีความติดติดถือมั่นน้อยลงมีกิเลสน้อยลงเมื่อกิเลสน้อยลงความตติดถือมั่นน้อยลงจิตใจก็มีความสุขมากขึ้น เป็นสุกภายในไม่ใช่สุขที่เกิดจากการมีการได้อันนั้นเปในสุขที่เกิดจากภายนอกซึ่งไม่ยั่งยืนนะไปขอชั่วคราวอันนี้สุขที่เกิดจากภายในเนี่ยนะมันก็ได้จากเกิดที่จากการสลักนะเริ่มจากการสลัของที่เรารักเราหวงแหนเช่นเงินทองทรัพย์สมบัติเราส ล, ละในรูปของทานบริจาคนะยิ่งทําเท่าไหร่เนี่ยความตณหนีเราก็ลดน้อยลง และต่อไปเนี่ยเราก็ต้องสลัเอเซนที่มันสละได้ยากกว่านั้นก็คือกิเลสความมีแต่ตัวความวิตติือมัน่นอันนี้เป็นของไม่ดีแต่คนเราก็มักหวงแหนเอาไว้การสละมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ช่วยทำให้จิตใจเราโปร่งเบาเมื่อจิ ต, ใ จ, ตใจโปร่งเบามันก็เป็นความสุขเกิดขึ้นมา จริงเนี่ยเพียงแค่การที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์นชนทั้งต่อจิตใจของเราคือเกิดความปราดพื้อผิดติดความยิน ด, ด, ด, ด, ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยซ้ำนะไอการสลักการให้เนี่ยหรือการช่วยเหลือผู้อื่นมันที่ไม่เคยมีเคยมีจิตอาสาคนหนึ่งนะ เขไปเป็นอาสาสมัครให้กับบ้านปักเกรดบ้านปักเกรดนี่ก็เป็นบ้านที่รับเลี้ยงเด็กที่ถูกทอดทิ้งนะตั้งแต่สามเดือนจนถึงเจ <8 S 1> <8 S 2> ็ดแปเกาขวบเด็กเยอะเป็นร้อยแต่คนดูแลหรือที่เลี้ยงยมีน้อยเราก็เปิดรับจิตอาสาให้ไปช่วยอาทิตย์ละสองวันก็มีจิตอาสาคนหนึ่งนะแกเป็นไหมเกรน แกต้องกินยาทุกวันเพื่อลดงักปวดแต่ก็แกก็มีน้ําใจดี <t> ใใ น, นะก็ไปช่วย อ, วอาทิตย์ละสองวันแกทําไปได้สักสองสามอาทิตย์แกก็ถูกคิดขึ้นมาว่าแกลืมกินยาปกติแกต้องกินยาทุกวันเพื่อลดงักปวดปรากฏว่าพอไปไปจิตอาสาแล้วลืมกินยาทาไมจะลืมกินยาเพราะ ม, มันมไม่ปวดทำไมไม่ปวด เพราะว่ามีความสุขมีความสุขการดูแลเด็กโอเคตกแกกับประหลาดใจามาเลยนะโอ้ไอการไปช่วยเหลือเด็กเนี่ยเราคิดว่าเราไปช่วยเขาแต่ที่จริงเขาช่วยเรานะทําให้ลืมปวดทําให้ไม่ปวดนะไม่ต้องกินยาเลยอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าไอการไปช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะที่จริงมันไม่ได้แค่ทําให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์อย่างเดียวประโยชน์ก็ย้อนสะท้อนย้อนกลับมาที่ตัว ผ, ผู้ผู้ทําด้วย ผู้เจ้าหญงตาก็ผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขคนเรามีความทุกข์นะถ้าเราลองทึกถึงคนอื่นให้มากเนี่ยแล้วลงไปช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยความทุกข์ของเราจะเล็กลงเพียนแค่นึกถึงความทุกข์ของผู้อื่นเนี่ยไอ้ความทุกข์ของเราเนี่ยมันกลายเป็นเล็กลงไปเลยอาตม า, าประทับใจเด็กคนหนึ่งนะซึ่งก็เล่าให้ใครต่อใครฟังอยู่หลายครั้งในหลายวงนะเด็กอายุเจ็ดขวบเป็นผู้ชายชื่อน้องโย วันหนึ่งญาตป้าเนี่ยก็ชวนน้องโยนเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมื อ, นนองนครปฐมเพราะเกิดว่าเจอรถชนมอเตอร์ไซค์พังยับเยินป้าเนี่ยแขนหักไปข้างนึงส่วนน้องโยนที่ขาเล็กไปข้างหนึ่งก็รีบขึ้นรถพยา บ, บาลตลอดทางเนี่ยป้านีิร้องโอดโอยแต่น้องโยไม่ร้องเลย จนถึห้องผ่าตัดหมอผ่าตัดเสร็จหมอก็เลยถามน้องโยว่าทาไมน้องโยไม่ร้องเลยน้องโยตอบดีน้องโยตอบว่าผมกลัวป้าเสียใจครับคือเห็นน้องโยได้ฟังป้าร้องไห้เนี่ยน้องโยก็รู้เลยว่าในีป้ากําลังร้องไห้ไม่ใช่เพราะปวดเท่านั้นแต่เพราะเป็นทุกข์ที่พาน้องโยมาเจอเหตุแบบนี้น้องโยเนี่ยสงสารป้าไม่ให้ป้าทรม า, านมากกว่านี้ก็เลย กดกั้นนะความเจ็บความปวดเอาไว้ไม่ร้องนะพอทาร้องแล้วเนี่ยป้านี่จะทุกข์ทรมานยี่งกว่า น, นี้จริงเนี่ยน้องโยนเนี่ยเจ็บหนักกว่าป้า น, นะแต่พอนึ้ถึงป้าไม่อยากให้ป้าทุกข์ทรมานหรือเสียใจมากไปกว่า น, นี้น้องโยนก็เลยสามารถสะกดกั้นนะความเจ็บความปวดของของตัวได้ความปวดของตัวเองการไปเล่นบบไฟสําหรับน้องโยนเมื่อนึกถึงความปวดของป้า อันนี้เป็นก็เป็นประโยชน์และเป็นอ น, นิสงส์หรือพลังของการที่นึกถึงผู้อื่นคนมีความทุกข์เนี่ยเนะอาจเป็นส่วนโดเพราะเขาจมอยู่ความทุกข์ของตัวเองมากไปแต่ถ้าเขานึกถึงความถึงนึกถึงคนอื่นเนี่ยก็ช่วยทําให้เขาลืมความทุกข์ได้ความทุกข์ของตัวเองอที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีเคยมีพิธีคนหนึ่งนะชื่ออิวาสกิ เป็นเด็กที่ยากจนชีวิตเขาค่อยโอนชินนะนะพ่อแม่ยากจนแล้วก็ถูกขายถูกขายไปอยู่ครอบคนก็ถูกใช้งานอย่างหนักตอนหลังเ้าก็มีโอกาสไปไปเป็นเด็กรับใช้นะในสนักเกียชาที่กรุงเกียวโตแลต้วตอนหลังเขา ก, ก็ค่อยไต่เต้าขึ้นมานะจนกระทั่งได้เป็นเหมือนก็นจะเป็นเกียชาแต่ชีวิตเขาทุกม่ทุกย่างมากนะ ถูกกดถูกขีนะถูกบังคับสารพัดก็เรียกว่าเป็นชีวแบบทรมานแต่เขายังพอไหวเพราเขาเยังมีคนรักเขามีน้องแต่ต่อมาคนรักเขาก็ตายน้องเขาก็ตายเขากรงกลัวเขาไม่รู้จะอยู่ทำไปแล้วชีวิตมันลำทุกข์เหลือเกินเลิกเป็นชีวิตบาดซบก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายตอนนัน้นเป็นเดือนมการานะเกี่ยวตัวก็มีหิมะตกเยอะ ก็เลยเดินเข้าไปในป่าเพื่อที่จะตายในภานการความหนาวเหน็บแต่ว่าบังเอิญไปเจอคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงคนนั้นเนี่ยเห็นก็เลยช่วยอีวาสกิห้าเอาไว้เมื่อได้ฟังเรื่องราวของอีวาสกิเนี่ยลุงแจ ก, ก็บอกว่าคนที่คิดเพงแต่ตัวเองเนี่ยมักอยากฆ่าตัวตายทั้งนั้น แล้วแกก็เสนอแน่อิวัสติกิว่าเนี่ยอยากจะให้แนะนําให้ความสักอย่างหนึ่งนะการที่ฆ่าตัวตายก็กลับเข้าไปในเมืองแล้วก็ช่วยเหลือเด็กที่เหลือดรอนสักคนนึงเอาแค่ช่วยบัลลงคนก็พอแล้วช่วยแล้วเนี่ยแล้วยิงอยากที่ฆ่าตัวตายก็ให้มาบอกแกแกช่วยทําให้ตายสมใจอิวาสตกิก็ได้คิดนะก็เปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตายกลับเข้าไป กับข้าเมืองแล้ว่าก็ทำตามที่คุณลุงแกแนะนําก็ไปหาซื้อหนังสือให้กับเด็กยากจนแค่คนเดียวที่เห็นเพราะว่าเห็นเด็กยากจนแล้วแกก็ไม่ถึงตัวเองก็เคยเป็นเด็กยากจนมา ก, ก่อนแล้วเด็กเนี่ยก็คงอยากจะอ่านหนังสืออยากจะรู้หนังสือก็เลยซื้อหนัสือไปให้ต่อหลังไมได้ซื้อเสียงเดียวนะสอนอ่านด้วยสอนเด็กอ่านหนังสือแล้วคนญี่ปุ่นนีก็ให้ความสำคัญกับความรู้มากนะ และหลังจากที่วสัสกีเนี่ยนะผานมาช่วยเด็กยากจนซื้อหนังสือให้สอนหนังสือให้เนี่ยเพราะว่าแกเลิกคิดฆ่าตัวตายความที่ฆ่าตัวตายมันหายไปเลยเพราะว่าอจาจจะพบาะแกรู้สึกว่าการที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันทำไม่แกมีความสุขทําให้ช่วยมีคุณค่าไอความที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็เลยหายไปหรือพวว่จะคิดได้คิดว่าความช่วงใจมันเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับเด็ก เราทุกข์มากอร่อยเยอะพอเราเผชิญกับหนที่ทุกข์มากกว่าเราเนี่ยความทุกข์ของเกิดของการเป็นปเรื่องเล็กและที่เคยคิดว่าตายดีกว่าเนี่ยมันก็เลยหมดไปไนะอ้คนเราเวลามีความทุกข์นะถ้าเราลองลองนึถึงคนอื่นเราไปช่วยเขาดูเนี่ยเราจะพบว่านะความทุกข์ของเรามันเล็กลงมีหมอคนนึงแกเศร้าโศกเสียใจมากที่สามีตาย สามีตายกระทันหันหมอคนที่เป็นหมอเด็กไม่เป็นอานททำอะไรเลยงานศพผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์แกก็ยังไม่ทำอะไรนั่งเจ้าจุกอยู่บนโต๊ะอยู่อยู่หลังโต๊ะอยู่ในห้องทำงานเพื่อนก็เห็นว่าแกกำลังเสียใจก็ปล่อยให้เศร้าไปแต่ผ่านไปสองาทิตย์สามอาทิตย์แกก็ยังเศร้าเจ้าจุกเพื่อนก็เห็นว่าชักไม่ได้การะเพื่อนทำยังไงนะ วันหนึ่งเพื่อนก็เอาเด็กป่วยเนี่ยมาวางเอาบนโต๊ะเธอก็ไม่สนใจนะนั่งซึมอยู่ได้ไพอเด็กร้องไห้เธอก็เริ่มค่อยลุกขึ้นมาดูว่าเด็กเป็นอะไรอ๋อเด็กอฉีราดนะก็เปลี่ยนผ้าอ้อมให้แต่แล้วก็มานั่งซึมมาอ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงเด็กร้องไห้อีกเป็นอะไรอ๋อเด็กเนี่ยต้องการยาก็ไปหา ย, ยามาให้แล้วเธอก็นั่งซึมอีกที จนกระทั่งเลิกเลิกงานเธอก็กลับบ้านวันรุ่งขึ้นพอเธอมาโรงพยาบาลประโยชน์แรกที่เธอถามคือเด็กคนนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เธอก็เริ่มไปหาไปไปหาเด็กที่วอร์ดหอผู้ป่วยแล้วก็เริ่มที่จะดูแลเด็กป่วยเหมือนที่เคยเคยทำก่อนที่สามีจะเสียชีวิตแล้วเธอก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ความเศร้าโศกที่สามีจากไปก็ค่อยๆคลี่คลายหายไปนะเพราะว่าได้มาได้มาทํางานได้มาเห็นเด็กที่เดือดร้อนได้มาเห็นเด็กที่เจ็บป่วยนะไอ้ความที่จมอยู่กับความเศร้าความโศกความผัดผ้มามก็ค่อยๆลดนะอันนี้เป็นประโยชน์นะการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยที่จริงแล้วมันเกิดประโยชน์กับตัวเราเองด้วยบางคนสมัยนี้คิดว่าเราต้องมีต้องได้เยอะๆเราถึงจะมีความสุขไปที่จริงเนี่ย ถ้าเรารู้จักให้รู้จักเอือ้อเฟื้อรู้จักแบ่งปันเนี่ยถึงแม้ว่าเงินในกระเปา๋าเราจะน้อยลงแต่เราได้ความสุขในใจเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยกายนะแต่ว่าใจมีความสุขนะปัญหาคนเราทุกวันนี้คือว่าเราเอือ้อ เ, ออเออฟือฟ้อเกื้อผู้กันน้อยลงหรือเราไม่มีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะแต่เพียงแค่ก็าได้ทำอะไรบางอย่างที่มีประโยชน์นะ อย่าว่าแต่คนเลยนะแค่ให้ดูแลสัตวนะ์ให้มีมีสัตว์นะมาช่วยดูแลหรือว่ามีมีสัตว์เป็นเพื่อนเนี่ยนะมันก็ช่วยได้เยอะในอเมริกาเนี่ยมีนักศึกษาจำนวนมากที่เป็นโรคซึมเศร้านะและวิธีช่วยบรรเทาโรคซึมเศร้าอย่างหนึ่งก็คือว่า มีคนมีโครงการจัดหาหมาให้กับคนไปโลกซึมเศ้าเอาไปเลี้ยงนะก็มีจิตอาสาเนะี่ยเสนอให้ยืมให้เช่าให้ยืมเนะี่ยให้ยืมหมากับโครงการนีนะ้ต้องไปหมาที่เชื่องนะไอ้หมาก็ดีนะไปอยู่กับเจ้าของใหม่เนะี่ยก็เป็นมิดนะคนเนะี่ยพอได้มีหมาต้องดูแลหมาต้องหาอาหารให้หมา ต้องพาหมาไปเที่ยวพาหมาไปเดินเล่นเนี่ยให้โลซุงซ่ามันหายไปนะมันทาไปเยอะเลยโครงการนี้ก็ได้ผลมากในอเมริกามันมีแบบหมาอิสระมันทำโครงการนี้หลายคนที่ยพอมีความทุกข์แล้วเนี่ยเพียงแค่ได้เกือเก้อเสิ้งกือ้อกูลกับใครสักคนหรือว่าชี้สักตัวนเนี่ยมันช่วยได้บ้านพักคนชาราในอเมริกาเนี่ยมันมีบ้านพักคนชาราแห่งหนึ่งเนี่ยซึ่งคนป่วยเนี่ยเขา นอนติดเตียงนะอายุ80 90, 90เกือบร้อยก็มีนอนติดเตียงไม่พูดไม่จาพวกนะักการเนี่ยเป็นคนใหม่แกก็มีความคิดนะแกเหนสภาพของคนป่วยคนชราแบบนี้แล้วเนี่ยมันน่าเป็นห่วงแกก็เลยเกิดความคิดนะเอาสัตว์มาเลี้ยงเอาหมาเอาแมวเอาลกมาเลี้ยงซึ่งมันติดกฎเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยมัน มันไม่ค่อยเป็นเรื่องไทยยีน e เรืสุขภาพอนมามัยเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บานพระพ้งคนราจะใส่ใจเรื่องสุขภาพอนมามัยมากแต่เป็นเรื่องของกายละเลยเรื่องจิตใจนะพวกในการพิจ ก, ก็ไฟนะจนกระทั่งสามารถที่จะเอาหมาเอาแมวเอานกมาเลี้ยงนะถามว่าแล้วขีข้อ่ะใครใครใครต้องรับจิดชอก็พนักงานนะี่แหละรวมทั้งคนไข้ด้วยอาหารใครเลี้ยงก็ เจ้าหน้าที่นะปรากว่าพอเอาเข้าไปเนี่ยไม่ถึงสองวันอาทิตย์เนี่ยความมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นะคนไข้ที่ไม่พูดอะไรเลยวันหนึ่งเนี่ยก็พูดกับพยาบาลว่าไอ้ไอบบ้บกตัวที่อยู่ในห้องเขาเนี่ยนะมันไม่มันไม่มเคยกินอะไรเลยนะมันเป็นอะไรหรึเปล่าเริ่มพูดแล้วบางคนอยู่แต่ในห้องวันดีคืนนี้ก็ออกมาเพื่อที่จะขอไปเดินกับเจ้าหน้าที่ ข้ออะไรเจ้าที่รังพาหมาไปเดินเล่นขอเดินไปด้วยบางคนก็ขออาสาไปให้อาหารหมาให้อาหารแม่จากคนที่ไม่พูดอะไรคนที่ติดเตียงเนี่ยเริ่มมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยข้อะไรนะเพราะว่าลึกๆในส่วนของคนธรรมันมีควา ม, ม, ามสุขอยากจะช่วยความสึกมีเมตตา ก, กรุณาแล้วก็สั่งเลี้ยงเนี่ยมันก็ช่วยปลุกเมตตา ก, กรุณาให้เกิดขึกก้นในใจพอคนเรามีเมตตากรุณาเกิดขึ้นในใจชีวิตชีวาจะเกิดขึ้น ในอเมริกามีมีแขงหนึ่งนะเขาทดลองนะน่าสนใจมากไม่ใช่สัตว์นะต้นไม้เอาต้นไม้มาให้มาวางไว้ในในห้องของคนแก่คนแก่คนชราเนี่ยนะมีสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยต้นไม้เหล่านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ลดน้ําให้กลุ่มที่สองเนี่ยให้คนชราลดน้ําเอง ก่อนที่จะลดน้ำก็มีการเข้ามีการบรรยายถึงคุณประโยชน์ของของต้นไมนะ้ผู้ว่าต้นไม้มีประโยชน์อย่างไรชัญชวนให้เขาลดน้ำต้นลดน้ำต้นไม้ทุกวันทำไปปีนึงปรากฏว่าเขาก็เปรียบเทียบกันระหว่างสองกลุ่มปรากฏว่ากลุ่มคนแก่ที่ลดน้ำต้นไม้เองเนี่ยใช้ยาน้อยลงยาปฏิชีวนะนะยาระ ง, งับประสาท รวมทั้งยาที่เกี่ยวกับโรคต่างๆเนี่ยใช้น้อยลงนะมีชีวิตชีวามากขึ้นและที่น่าสํากันว่าอายุยืนยาวกว่ากลุ่มแรกอันนี้มาแสดงให้เห็นแล้วว่าคนเราเนี่ยในแง่นึงก็มีความผูกพันกับธรรมชาติในแง่หนึ่งคนเราเนี่ยถ้าได้ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์นะแล้ก็ะทั้งกับต้นไม้เนี่ยมันก็จะบำรุงจิตใจนะการในส่วนเรื่องคนเราเนี่ย มันมีเมตตากรุณาแล้วก็มีความอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเราเปิดโอกาสก็ได้ทําหรือเราเปิดโอกาสให้ตัวเองในการที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือคนแก่ช่วยเหลือสัตว์นะช่วยปลูกปลาช่วยรักษาเรือน้ำรองคลองเนี่ยมันไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดลอ้อมประส่วนรวมต่อผู้อื่นเท่านั้นมันยังเป็นการบํารุงกายบํารุงใจของผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยของผู้ที่ได้ทําด้วย อันนี้คือสิ่งที่คนไม่ค่อยเลยปัญหาในยุคปัจจุบันเนี่ยคนคิดว่าเนี่ยฉันต้องมีเยอะๆฉันต้องเสร็จมากๆถึงจะมีความสุขแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการที่ได้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันให้สุขที่ยัง่งยืนกว่านะมันมีผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยแนะม้ว่าการไปช่วยคนอื่นอาจจะหมายถึงาการมีเงินน้อยลงการมีเงินในกระป๋าน้อยลงเพราะไปให้ผู้อื่นหมายถึงการที่ต้องเหนื่อยนะ แทนที่จะไปอยู่ในห้องติดแอรในห้างสรรพสินค้านะก็ไปอยู่กลางอยู่ในปา่าปลูกปา่าหรือว่าอยู่ในอาคารที่ร้อนอบอา้าวเพื่อดูแลเด็กเพื่อดูแลคนแก่แต่ที่จริงเนี่ยสุขภาพใจนะมันได้รับการชดเชยเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่เรามีองค์กรหม่วยงานอย่างบนิษัทที่ทพัฒน า, นาเด็กมากเนี่ย อาตมาช่วยมันไม่ไดเป็นเบีเ้ยต่อเด็กเท่นั้นนะมันเป็เบี้ยต่อผู้ใหญ่ด้วยมันเป็นการเปิดโอกาสให้คนนี่มาเป็นจิตอาสาได้มาช่วยดูแลเด็กได้มาช่วยเหลือเด็กได้มาช่วยทำสิ่งที่จะเบี้ยต่อสังคมแล้วสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นนะความทุกข์ก็จะน้อยลงถ้าเขาวางใจเป็นนะถ้าเขาวางใจเป็นเขาจะรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าเขาวางใจไม่เป็นเขาก็จะเป็นทุกข์นะอากาศร้อนหรือว่า เสียเวลาเดินทางรถติดนะไม่ได้เที่ยวไม่ได้สนุนให้คนอื่นแต่ถาวางใจเป็นเนี่ยจะมีความสุขก็อสตมาขออนุโมทนานนะทางญาติโยม ท, ท, ท, ท, ทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ไม่ได้มาแต่ว่าได้บริจาคเงินมาสนทบกองทัพป่าก็ถือว่าได้มีส่วนช่วยสนับสนุนนะ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กไทยและที่จริงคงจะรวมไปถึงเด็กต่างด้าวด้วยเพราะว่าเด็กต่างด้าวตรง น, นี้ก็มีเยอะน ะ, ะ, มะพม่าลาพเมร์ซึ่งโดยที่พัฒาเด็กก็ไม่ถือว่าเป็นประสักดิ์ ก, กีฬาอยู่แล้วนะก็เชื่อว่าสิ่งที่พวกเราได้ทําสนับสนุนนะก็จะมีคงมีส่วนช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของเด็กหลายคนซึ่งจะได้กายเป็นผู้ใหญ่ในวานข้างหน้าเป็นชีวิตที่ดีงาน แล้วก็ช่วยส่งเสริมคุณภาพจิตณธรรมในใจของเราด้วยท้าส่วนนี้ขออ้างคุณพระเศวตนะไกรอำนอวยควรคลให้ทุกท่านได้เรียนด้วยอายุวรรณะสุขภาระเพิ่มเป็นคราะปัจจัยในการทําความดีงามไม่ถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาจนเกิดปัญญาภาติออกจากความทุกข์ก็ข้างอุปสรรคั้งพวงให้ก็ถึงความสุขเกษมสามีพระนิพพานในที่มาด้วยกันทุกคนเพลิน จากนี้ก็เตรียมปลดน้ำอ่อเอาเล ย, เ ด, ยเดี๋ยวเดี๋ยวโยงไะถวายเทํ า, ทาก่อนเดี๋ยวเราดับต่อไปครับก็แน่อ